ตอนที่สมิติที่มีอาจมองข้ามคนเราไม่ได้มีแค่กายหากยังมีใจด้วยดังนั้นสุขภาพจึงมีทั้งมิติทางกายและทางใจสองสิ่งนี้แยกกันไม่ออกแต่เดี๋ยวนี้เรามักจะมองแยกออกเป็นส่วนๆและแยกกันรับผิดชอบกล่าวคือกายเป็นเรื่องของหมอส่วนใจ เป็นเรื่องของพระบางทีมองไปไกลขนาดว่าพ่อแม่รับผิดชอบแต่เพียงความเป็นอยู่ของเด็กส่วนความรู้และคุณธรรมของเด็กเป็นหน้าที่ของครูกายกับใจนั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเกินกว่าที่จะแยกส่วนกันอย่างเด็ดขาดความเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายนั้นเกี่ยวข้องกับความทุกข์ทางใจมาก อย่างที่ทราบกันดีว่าคนที่เครียดกลุ้มอกกลุ้มใจขี้โกรธมีสิทธิ์จะเป็นโรคต่างๆได้มากมายนับตั้งแต่โรคหวัดโรคกระเพาะไปจนถึงโรคหัวใจความเจ็บป่วยฉันใดการมีสุขภาพดีก็ฉันนั้นบางครั้งร่างกายย่ำแย่แต่ใจเกิดสู้หรือมีความหวังขึ้นมา ก็สามารถช่วยฉุดร่างกายให้ดีขึ้นได้อย่างที่หมอเองก็นึกไม่ถึงคุณหมออมารามลีลาเล่าว่ามีหนุ่มคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุนอกจากบาดเจ็บทางสมองแล้วไต ย, ยังวายเฉียบพลันต้องฟอกเลือดอยู่ในภาวะโคมา่าหมอบอกว่ามีโอกาสรอดน้อยมากระหว่างที่นอนหมดสติอยู่ในห้องไอซีูนานเป็นอาทิตย์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 มีพยาบาลคนหนึ่งทุกเช้าที่ขึ้นเวรจะเดินเยี่ยมคนไข้ทุกคนทักทายให้กำลังใจแต่ถ้าคนไข้ ย, ยังโคม่าอยู่เธอก็จะจับมือแล้วแผ่เมตตาให้กำลังใจขอให้มีกำลังและรู้สึกตัวตอนบ่ายพอถึงเวลาลงเวรก็บอกคนไข้ว่าดิฉันจะลงเวรขอให้คุณสบายทั้งคืน พรุ่งนี้พบกันใหม่คนไข้คนนี้เล่าว่าตอนหลังรู้ตัวดีขึ้นแต่บางคืนรู้สึกเจ็บปวดมากหายใจก็ยากลำบากมากตอนนั้นมีความรู้สึกว่าอยากจะหยุดหายใจไปเลยจะได้หมดทุกข์เสียทีในช่วงนั้นรู้สึกว่าการตายนั้นง่ายกว่าการมีชีวิตอยู่แต่ใจหนึ่งก็นึกถึงพยาบาลผู้นั้นว่า หากเธอมาพบว่าเตียงเขาว่างเปล่าจะรู้สึกเสียใจแค่ไหนจะโทษว่าตัวเองบกพร่องหรือไม่ก็เลยคิดว่าขอให้ได้ร่ำลาพยาบาลคนนั้นซะก่อนจะบอกเธอว่าหากผมตายไปก็ไม่ใช่ความผิดของคุณคุณทำดีที่สุดแล้วคิดได้เช่นนี้ก็พยายามอดทนหายใจต่อไปครั้นถึงเช้าอาการดีขึ้น พอพยาบาลคนนั้นมาเขาก็ลืมร่ำลาเธอพอกลางคืนอาการของเขาก็ทรุดลงอีกก็พยายามอยู่จนถึงเช้าเพื่อลาพยาบาลแล้วก็ลืมทุกทีเป็นอย่างนี้อยู่อาทิตย์หนึ่งจนอาการดีขึ้นและหายเป็นปกติชนิดที่เกิดเรียกได้ว่าปาฏิหาริย์ผู้ป่วยคนนี้พ้นจากความตายมาได้ใจนับว่ามีส่วนสำคัญมาก เริ่มจากใจของพยาบาลที่เปี่ยมด้วยเมตตาเมตตานั้นมีพลังที่แม้แต่คนไข้ซึ่งหมดสติไปแล้วก็สามารถรับรู้ได้เรื่องนี้เป็นข้อคิดกั่หมอและพยาบาลว่าคนไข้โคม่านั้นเขาโคม่าแต่กายส่วนจิตยังสามารถรับรู้ได้แม้ลางๆคำพูดและสภาวะจิตใจของหมอกับพยาบาลไม่ว่าทางบวกหรือลบ สามารถมีอิทธิพลต่อผู้ป่วยได้ถ้าพูดหรือคิดในทางร้ายอาการของผู้ป่วยก็อาจจะซุดลงได้แม้จะให้ยาเต็มที่แล้วก็ตามนอกจากเมตตาจิตของพยาบาลผู้นั้นแล้วเมตตาจิตของผู้ป่วยก็สำคัญไม่น้อยตอนที่เขามีอาการหนักเขาไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยหากคิดถึงพยาบาลผู้นั้น ไม่อยากให้เธอเศร้าเพราะการจากไปของเขาจึงพยายามมีชีวิตต่อไปเพื่อจะได้ร่ำลาและปลอบใจพยาบาลผู้นั้นนี่คือความปรารถนาดีที่เรียกว่าเมตตาจิตซึ่งมีพลังหนุนส่งให้เขายืนหยัดต่อสู้กับความทุกข์ในร่างกายเมตตาหรือพลังจิตอย่างนี้ไม่มียาอะไรจะสร้างขึ้นได้ มีแต่เมตตาจิตของผู้อยู่รอบข้างเท่านั้นที่จะช่วยบรรดาลให้เกิดขึ้นได้ใจนั้นจะดีขึ้นหรือเลวลงขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับคนรอบข้างไม่ใช่น้อยไม่ใช่แค่หมอและพยาบาลเท่านั้นหากยังรวมถึงญาติพี่น้องและเพื่อนๆที่มาเยี่ยมด้วยความสัมพันธ์นี้จัดว่าเป็นมิติทางสังคม และถือเป็นองค์ประกอบอีกประการหนึง่งที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพของผู้ป่วยถ้าคนรอบข้างมาทักทายด้วยความแช่มชื่นเบิกบานผู้ป่วยก็มีกำลังใจแต่ถ้ารอบตัวเต็มไปด้วยคนที่ครึ่งเครียดหน้าบอกบุญไม่รับหรือพอนึกถึงบ้านที่เต็มไปด้วยความระหองระแหงสามีนอกใจลูกติดยาใจผู้ป่วยก็พลอยหดหู กายย่อมฟื้นตัวลำบากขึ้นอย่างไรก็ตามใจของคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนรอบข้างอย่างเดียวหากยังอยู่ที่เจ้าตัวเองด้วยถ้ารู้จักฝึกจิตฝึกใจเช่นหมั่นทำสมาธิหรือมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของสังขารรู้จักปล่อยวางไม่เก็บอะไรมาเป็นอารมณ์หรือดีกว่านั้นคือรู้ว่ากายเท่านั้นที่ป่วย แต่ใจไม่ได้ป่วยถ้ารู้และทำได้อย่างนี้ใจก็เป็นสุขและสามารถฉุดกายให้ดีขึ้นตามมาด้วยกายใจคือจิตบวกปัญญาและสังคมจึงเป็นมิติแห่งสุขภาพที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ทั้งหมดนี้เรียกว่าองค์รวมแห่งสุขภาพ บุคลากรทางการแพทย์ควรทำความเข้าใจกับมิติทั้งสามให้ชัดเจนโดยตระหนักว่าความรับผิดชอบของตนไม่ได้จากัดแค่เรื่องกายเท่านั้นหากยังมีขอบเขตครอบคลุมอีกสองมิติด้วยถ้าทำได้เช่นนี้ไม่ใช่แค่ผู้ป่วยเท่านั้นที่จะมีสุขภาพดีขึ้นแม้แต่สุขภาพของหมอและพยาบาลก็จะดีขึ้นด้วย และสามารถทำงานอย่างเป็นสุขมากขึ้น